อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ43 1. ภิกษุไม่ต้องการให้ผู้อื่นชอบตน 2. ภิกษุไม่ต้องการให้ผู้อื่นแตกกัน 3. ภิกษุวิกลจริต 4. ภิกษุต้นบัญญัตเปศุสยญญาสิกขาบทที่ 3. จบ